การฟังเทศฟังธรรมเป็นกระบวนการเป็นขั้นที่หนึ่งของกระบวนการค้นหาความจริงของชีวิตค้นหาความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจ าถ้าไม่มีความรู้ความจริงจะอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความหวาดกลัวด้วยความวิตกกังวลด้วยความห่วงใย ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับอยู่แบบคนตาบอดคนตาบอดนี่อยู่ลำบากจะทำอะไรไม่รู้ว่าทำแล้วถูกหรือไม่ ทำแล้วไม่รู้ว่าเกิดคุณหรือเกิดโทษกับตนเองเพราะมองไม่เห็นว่ากำลังทำอะไรคนตาบอดจึงมักต้องอาศัยคนตาดีคอยช่วยบอกให้รู้ว่าทำถูกหรือไม่อันนี้ พวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดตาที่บอด น, นี้ไม่ใช่ตาที่ร่างกายตาร่างกายนี้ไม่บอดเราทำอะไรทางร่างกายนี้ได้ถูกต้องไม่เดินไปชนเสาไม่เดินไปชนต้นไม้ไม่เดินไปเหยียบของแหลมของคมไม่เดินไปตกหลุมตกบอ่อ เราเมตตาทางร่างกายแต่เราตาที่บอนี้เป็นเป็นตาในเรียกว่าใจตาของใจนี่บอนใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรถึงจะถูกคิดอย่างไรถึงจะผิดคิดอย่างไรถึงจะได้ความสุข คิดอย่างไรถึงจะได้ความทุกข์เนี่ยคิดไม่เป็นกันคิดไม่ถูกกันที่ทุกข์กันทุกวันนี้ที่ทุกข์ทางใจทุกข์เพราะความคิดนี่เองคิดผิดคิดแล้วก็เกิดความวิตกขึ้นมาคิดแล้วก็เกิดความห่วงใยขึ้นมาคิดแล้วก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา กินแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาร้องหม่มร้องไห้เป็นความคิดทั้งนั้นที่ทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าคิดไม่เป็นเหมือนกับคนตาบอดทำไม่เป็นทำไม่ถูกเพราะไม่มีตามองไม่เห็น นี่คือใจของพวกเราชีวิตของพวกเราอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ระหว่างเสื้อผ้ากับร่างกายอันไหนนี่จะสำคัญกว่ากัน เ, เสื้อผ้าเป็นของชั่วคราว ใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่ร่างกายนี้ อ, อ, อยู่ต่อไปร่างกายนี้มีอายุยาวนานกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันมาหลายชุดแล้วร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปด้วย ร่างกายโตขึ้นเสื้อผ้าที่ใส่ก็คับใส่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ร่างกายของเรากับใจก็เป็นอย่างนั้นใจเราเป็นเหมือนร่างกายส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ไม่มีความสําคัญมากถ้ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ แต่ใจนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ใจนี้มันมีปัญหาต้องแก้ที่ใจอย่าไปแก้ที่ร่างกายเพราะที่ร่างกายนี้ปัญหาของร่างกายก็แก้ที่ร่างกายเช่นร่างกายก็ต้องมีตาถึงจะเดินถึงจะเห็นอะไรได้ ใจก็ต้องมีตาถึงจะรู้ว่าคิดอะไรถูกคิดอะไรผิดคิดอะไรแล้วทําให้ไม่สบายใจคิดอะไรแล้วทําให้สบายใจเวลาคิดกับเวลาไม่คิดอันไหนดีกว่ากันนี่คือสิ่งที่ใจไม่รู้ ใจเหมือนคนตาบอดต้องอาศัยคนที่รู้คนที่รู้เรื่องใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของจิตใจจนรู้เรื่องราวของจิตใจได้เป็นอย่างดีรู้ว่าจิตใจนี้จะสุขหรือจะทุกข์นี้ เพราะอะไรแล้วพระองค์ก็ส่งเอาความรู้นี้มาสอนพวกเราที่ไม่รู้ที่คิดไม่เป็นที่ทำให้ใจมีความสุขไม่เป็นรู้แต่วิธีทำให้ใจมีความทุกข์เหมือนคนตาบอดที่ รู้แต่วิธีเดินให้ไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปเดินลื่นล้มตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าไม่มีตามองมองไม่เห็นทางแต่ถ้าคนตาบอดมีคนนำทางคนตาบอดก็จะปลอดภัยเวลาเดินไป คนตาดีก็จะบอกว่าให้เดินมาทางนี้อให้เดินมาทางนี้ เ, เดินตามคนตาดีค น, คนตาบอด ก, ก็ปลอดภัยเหมือนกับคนตาดีพวกเราที่เป็นคนตาบอดทางใจก็ต้องอาศัยคนตาดีทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยบอกเรา สอนเราให้เรามีตาขึ้นมาให้เรามองเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจว่าจิตใจของพวกเรานี้จะมีความสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ความคิดของพวกเรา ถ้าคิดไปทางหนึ่ง <S <S <Spo il> ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าคิดไปอีกทางหนึ่ง <S <S <S ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหยุดคิดได้ <S <S <AR> <S ก็จะเกิดความสุขขึ้นมานี่คือเรื่องของใจที่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าถ้าเราหยุดคิดได้เราจะมีความสุขกันหรือถ้าเราคิด เราก็ต้องคิดไปในทางที่ทำให้เราเกิดความสุขถ้าเราคิดไม่เป็นไม่รู้ทางวิธีคิดที่จะทำให้เกิดความสุขเราก็จะไม่มีความสุขเรามักจะคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์กันชีวิตของพวกเราทางร่างกายของเรานี้สบายกัน เรารู้จักวิธีเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่สุขสบายกันเพราะเรารู้ว่าอะไรทำให้ร่างกายมีความสุข เ, ออเราก็หาสิ่งที่ร่างกายต้องการพอร่างกายต้องได้สิ่งที่ร่างกายต้องการร่างกายก็สุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อดอยาขาดแคลนไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้เพราะว่าเรารู้วิธีดูแลร่างกายร่างกายของเราจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาเหมือนกับจิตใจของพวกเราที่ไปมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาพวกเราที่เ ม, มาอยู่วัดกันนี้ ก็มักแค่มีปัญหาทางจิตใจมาเพราะไม่สบายใจไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะทำให้ความไม่สบายใจนั้นหายไปถ้าไม่เคยมาวัดก็มีคนแนะนำว่าไปอยู่วัดสิไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัติ ไปทาตามเพราะการฟังนี้เป็นเพียงแต่การรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อจิตใจของเราเมื่อฟังแล้วถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะเกิดผลเหมือนกับวิธีที่ ทำกับข้าวถ้าเราไม่รู้จักทำกับข้าวเราก็ไปเรียนโรงเรียนที่เขาสอนวิธีทำกับข้าวเขาสอนให้ทำกับข้าวชนิดนั้นชนิดนี้ทำขนมอย่างนั้นทำขนมอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปเรียนเราก็จะไม่รู้ทำไม่ได้แต่พอเราเรียนแล้วถ้าเรายังไม่เอาไปทำอยู่ อาหารต่างๆที่เราอยากได้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นมาอยากให้อาหารที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาขนมต่างๆปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องไปทาอาหารทาขนมตามที่เราได้เรียนมาตอนทำใหม่ๆก็ยังอาจจะทำไม่ได้ดีก็ได้ทำแล้วกินไม่ลงก็ได้ เพราะอาจจะทํำไม่ถูกแต่ น, นี่เป็นขบวนการของการเรียนรู้ะไม่ว่าเราจะทําอะไรในเบื้องต้นมักจะทําไม่ถูกต้องทําแล้วไม่ได้เป็นเหมือนกับที่คนที่เขาชํานาญทํากันแต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ ทำคราวนี้มันเค็มเกินไปคราวหน้าใส่น้ำปลาน้อยไปพอใส่น้ำปลาน้อยไปมันหวานเกินไปเอปรับปรุงไปเรื่อยๆทำไมมันเละทำไมมันไม่กรอบมันมีขั้นตอนของการกระทำต่างๆที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในขณะที่เราปฏิบัติ เพราะการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ทำอาหารหรือทำขนมหรือทำอะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันเป็นไปดังที่เราต้องการได้เราต้องมาลองผิดลองถูกอีกถึงแม้ว่าจะรู้เข้าๆว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ แต่เวลาฟังแล้วอาจจะลืมได้พอลืมเวลาไปทำก็เลยทำไม่ตามไม่ตรงกับที่ได้ยินได้ฟังมาที่เขาพูดเขาบอกเราฟังแล้วอาจจะลืมใบบางส่วนบางตอนพอเราไม่ได้ทำตามส่วนที่เขาพูดทำตามตอนที่เขาพูดทำไปก็ทำให้ อาหารหรือขนมมันเป็นมันไม่เป็นไปตามที่เขาบอกตามที่เขาสอนแต่ถ้าเราพยายามทำบ่อยๆหรือถ้าเราลืมเราก็ควรที่จะกลับไปฟังไปฟังใหม่ฟังว่าไอ้มันตรงนั้นตรงนี้มันขาดตรงนั้นขาดตรงนี้เพราะอะไรทำผิดเพราะอะไรต้องไปฟังบ่อยๆ หรือถ้ามีตำราก็ต้องมาเปิดดูเรื่อยๆท่าทำตามตาราครบทุกขั้นทุกตอนอาหารของเราที่เราต้องการมันก็จะออกมาตามที่ตาราบอกไว้อย่างชัดเจนอย่างถูกต้องนี่ก็เหมือนกันชีวิตของเราที่เราอยากจะให้มีแต่ความสุขจิตใจของเรา อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขไม่อยากให้จิตใจมีแต่ความทุกข์อย่างที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้เราต้องฟังเทศฟังธรรมฟังวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขทาทาให้จิตใจของเราไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีที่ทำให้ใจของเราสุขทำให้ใจของเราทุกวิธีที่ทำให้ใจของเราทุกเราก็อย่าไปทำวิธีที่ทำให้ใจของเราสุขเราก็ทำวิธีนั้นเรื่องของจิตใจเรามีแค่นี้เองมันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราคิดเป็นหรือไม่เป็น หยุดคิดได้หรือหยุดคิดไม่ได้เพราะความสุขของเราอยู่ที่สองอย่างด้วยกันหนึ่งอยู่ที่การหยุดคิดถ้าเราหยุดคิดได้ความทุกข์ที่เกิดจากการคิดก็จะหายไปเวลาเราทุกข์ไม่สบายใจถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรหยุดคิดก่อนทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็อย่าไปคิดถึงมันสิยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ถ้าหยุดคิดแล้วมันจะหายทุกข์เหมือนตอนนี้พวกเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันเลยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์กันพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์มันก็หายไปเพียงแต่ว่ามันหายไป ชั่วข่าวเท่านั้นเดี๋ยวพอเราเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นใหม่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันหายขาดเราก็ต้องคิดวิธีใหม่คิดเรื่องนั้นน่ะแต่คิดไปอีกมุมอมองหนึ่งทุกเรื่องนี้มันมีสองมุมมองให้เราคิดได้ คิดไปในทางบวกก็ได้คิดไปในทางลบก็ได้ถ้าคิดไปในทางลบแล้วทําให้เราทุกข์เราก็ลองคิดไปในทางบวกเดี๋คิดไปในทางตรงกันข้ามแล้วมันจะทําให้เราหายทุกข์ถ้าเราคิดไปในทางความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอเราไม่ได้เราก็ทุกข์กันะ แล้วลองคิดไปทางตรงกันข้ามเลยถ้าคิดไปในทางอยากแล้วมันทุกข์ก็ลองคิดไปในทางไม่อยากดูไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอความอยากความทุกข์ที่เกิดจากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไปคิดอีกทางหนึ่งมันก็หายทุกข์ได้เช่นอยากได้แฟนแล้วเขาไม่ยอมมาเป็นแฟนเราเราก็เปลี่ยนใจคิดใหม่เดียคิดว่า ไม่อยากได้เขาแล้วล่ะพอคิดว่าไม่อยากได้เขาก็หายทุกข์ล่ทะท่านั้นเองเปลี่ยนมุมคิดหน่อยท่านเองพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้เสียอกเสียใจมาเปลี่ยนคิดใหม่แต่ว่าคิดไม่เอาก็ได้วะเออของในโลกนี้มันมีชิ้นเดียวเหรคนในโลกนี้มีคนเดียวเหรออไม่ได้คนนี้ก็หาคนใหม่ก็ได้วะเออ แต่ถ้าหากี่คนก็ไม่ได้ก็อย่าไปหามันดีกว่าก็เลิกไม่เอาคนเลยอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าเท่านั้นเองเปลี่ยนความคิดได้แล้วก็สบายปัญหาคือไม่มีกำลังเปลี่ยนความคิดไม่มีกาลังหยุดความคิดพอคิดอยากได้อะไรแล้วโอ้คิดอยู่มันนั่นทั้งวันทั้งคืนคิดมันอยู่แต่เรื่องที่อยากจะได้ แล้วไม่ได้ก็กังวลกัวายกระสับกระสายเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมหยุดคิดเดือไม่คิดไปอีกทางหนึ่งไม่ยอมรับความจริงว่ายังไงยังไงชาตินี้ก็ไม่ได้มันอยู่แล้วยังอยากไปอยากได้มันทำไมไม่ได้ก็แล้วไปคนไม่ใช่มีคนเดียวในโลกนี้เมื่อก่อนเราไม่มีเขา เมื่อก่อนเราไม่ได้อยากได้เขาเราก็เห็นเดือดร้อนอะไรพอมาเจอเขาเห็นเขาแล้วอยากได้เขาขึ้นมาีน้ๆเดือดร้อนแล้วสิพอไม่ได้เขาขึ้นมาก็เดือดร้อนก้ม อ, อกก้มใจขึ้นมา อ, อ, อ, อ่นี่คือเรื่องของความคิดปัญหาของเราตอนนี้มีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือหยุดคิดไม่ได้ไม่มีกำลังหยุดคิดหยุดความคิด พอคิดถึงเรื่องอะไรทุกข์ไม่สบายแทนที่จะหยุดมันกลับคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่กับเรื่องนั้นเน่ะคิดทีไรก็ร้องหม่มร้องไห้ทุกทีคิดเท่ไรก็ปวดร้าวขึ้นมาในหัวใจทันทีแต่ไม่ยอมหยุดคิดอันนี้ปัญหาที่หนึ่งหยุดคิดไม่เป็นปัญหาที่สองเปลี่ยนความคิดไม่ได้คิดไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ะ ต้องเอาทางนี้เหมือนกับแผ่นเสียงตกล่องเนี้เติดอยู่ตรงนั้นน่ะคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้ว่าแผ่นเสียงตกล่องเป็นยงไงต้องคนอายุมากๆหน่อยคนแก่อย่างเรานี่สมัยก่อนเวลาจะฟังเพลงฟังอะไรเกามีแผ่นเสียงเขาไม่มีซีดีก็ไม่มีออะไรอินเทอร์เน็ตนี้เขาต้องมีแผ่นเสียงแผ่นเสียงมันเป็นล่องล่องที่มีเข็ม วิ่งอยู่ในร่องถ้าเกิดร่องมันเสียมันทำให้มันมันติดอยู่ตรงร่องเดียวมันไม่ยอมข้ามไปอีกร่องหนึ่งเวลาฟังก็จะฟังเสียงซ้ำๆอยู่นั่นเนอะอยากได้เธออยากได้เธออยากได้เธอนี่มันก็ความคิดของเราก็แบบนี้ครความคิดของพวกเราเป็นความคิดแบบ เ, เป่นเสียงตกร่อง อยากได้เธออยากได้เธออยากได้เธออพอไม่ได้ก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เท่านั้นเองเมื่อก่อนไม่ได้คิดเหม็นเมื่อก่อนไม่ได้ตกล้องเหม็นไม่เห็นเดือดร้อนเลยเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าอยากได้เธออยากได้เธอก็สบายอพอมาคิดว่าอยากได้เธออยากได้เธอแล้วพอไม่ได้นี่ก็เสียใจอกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละ ของง่ายๆของเหมือนเ็าเรียกอะไรของอยู่ใกล้ตัวแต่กับมองไม่เห็นกับไม่รู้ปัญหาว่ามันเป็นปัญหานิดเดียวทั้งเองกับไปคิดว่าปัญหาอยู่ที่คนที่เราอยากได้เขาไม่อยากได้เราเราอยากได้เขา ก็เลยต้องพยายามไปทําวิธีต่างๆให้เขาอยากได้เราเห็นไหมไปทาําเสน่หามั่งไปทําเล่บัง่งทําคุณใส่บัง่งทําอะไรต่างๆเพราคิดว่าทําแล้วจะเปลี่ยนใจเขาได้จะทําให้เขามารักเราได้ชอบเราได้ทํายังไงก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรือเราก็พยายามแต่งตัวแต่งเงื้อแต่งทําอะไรล่อตาล่อใจเขา ทำยังไงเขาก็ไม่เอาเราอยู่นะี่ทำไปแล้วแล้วก็เสีย อ, อกเสียใจกุ้ม อ, อกกุ้มใจเพราะเนี่ยไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าเขาไม่เอาเราแล้วจะไปเอาเขาทำไมเท่านั้นเองถ้ายอมรับว่าเขาไม่ต้องการเราเราบางังคับควบคุมเขาไม่ได้ จะให้เขาต้องการเราทำยังไงเขาก็ไม่ต้องการเราทำไมเราไม่มาเปลี่ยนใจสัอย่าง เ, าเมื่อเขาไม่เอาเราเราก็ไม่เอาเขาก็ได้พอเปลี่ยนใจได้มันก็หายทุกข์อยากคิดไปในทางความอยากคิดไปในทางความอยากเวลามันไม่ได้แล้วมันจะเสียใจหรือเวลาได้มา้วเดี๋ยวก็เสียใจได้อีก อย่าไปคิดว่าพอได้เขามาแล้วจะมีความสุขไปตลอดเดี๋ยวพอได้เขามาแล้วใหม่ๆเขาก็ดีกับเราเขอาอกเอลาใจเราเดี๋ยวพออยู่ไปสักพักเขาเบื่อเราขึ้นมาเขาก็าไม่เอาอกเกล้าใจเราเขาจะเอาแต่ใจเขาอทีนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกนะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเหมือนเดิมใช่ไหม เขาเคยเอาอกเอาใจเราเราก็อยากจะให้เขาเอาอกเอาใจเราแต่เขาเป็นอย่างนี้แหละใจเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศเห็นไหมเมื่อกี้ฝนก็ตกเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็หยุดละไปเอาอะไรกับดินฟ้าอากาศไม่ได้พวกเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศกันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แล้วเรารู้ว่ามันเราห้าม ม, ม, ามันไม่ได้มันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้มิแต่ต้องยอมแพ้มันใช่ไมอ่ามึงจะตกกูก็ต้องหลบเข้าที่ร่มเพอะหลบเข้าที่ร่มก็ไม่มีปัญหาอะไรมึงจะตกเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อนพอมึงหยุดตกกูก็ออกมานั่งข้างนอกใหม่ได้นี่คือปัญหากับสิ่งที่เราได้มาหรือคนที่เราได้มา ไม่ใช่ได้มาแนละ้วเราจะปั้นเขาได้จะบังคับเขาได้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเขาเคยรักเคยชอบเราเขาก็อาจจะเบื่อได้เหมือนคนเคยเคยกินอาหารจานโปรดเนี่ยลองให้กินทุกวันดูสิเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็อยากจะไปกินอาหารแปลกๆว่าอาหารที่ไม่ได้กิน ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี่ไม่เคยชอบอาหารเหล่านั้นเลยแต่พอต้องมากินอาหารจานโปรดอยู่ทั้งวันนี่อาหารจานโปรดมันกลายเป็นอาหารเบื่อไปก็ได้ก็เลยอยากจะไปกินอาหารที่ไม่นา่าไม่ไม่เคยอยากกินเพราะว่ามันเบื่อกับของที่จําเจซ้ำซากอยู่เรื่อยๆออเปลี่่ยนเอาดี๋ยวฟังไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตอบ ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองที่มาถามเราทํำไมเราพูดให้คุณคิดคุณคิดแล้วก็คุณหาคําตอบเราเองดีกว่ามาให้เราตอบเดี๋ยวตอบไม่ตรงใจคุณคุณก็เถียงกลับอีกฉะนั้นคุณลองไปนั่งคิดดูก็แล้วกันว่าคุณควรจะทําอย่างไรดีเมื่อเกิดเจอปัญหาขึ้นมาคุณจะไปแก้ที่เขาดีหรือมาแก้ที่ตัวคุณเองดีแก้อันไหนอะแก้อันไหนง่ายกว่ากันยากกว่ากัน เวลาฝนตกนี่ไปดา่ามันสิมึงอย่าตกกูจะนั่งอยู่ตรงนี้จะสู้กับมึงเนี่ยให้มึงตกอ่ะไม่เราไม่เราไม่ไปแก้ที่ฝนฝนมันตกก็ปล่อยมันตกไปเราแก้ที่เราสิถ้าเราไม่อยากจะเปียกเราก็เข้าหาล่มสิเข้าหาหากลางล่มหรืออะไรมันก็เปียกไม่ได้ละเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ปัญหาของเราคือเราไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเราไปคิดว่าเขาจะต้องดีกับเราให้ความสุขกับเราต้องเชื่อฟังเราต้องทำตามที่เราบอกทาตามที่เราสั่งพอเขาไม่ทาเราก็ เสียใจขึ้นมาเพราะว่าเราคิดไม่ถูกไงเราคิดว่าเขาอยู่ในอุ้งมือเราอยู่ในกรรมมือเราจะสั่งให้ทำอะไรก็ได้อพอวันดีคืนดีเขาเขาต่อสู้ขึ้นมาต่อต้านขึ้นมาลุกฮือขึ้นมากูไม่ยอมเป็นทาสของมึงแล้วใครสั่งได้วันนี้ไม่ให้สั่งนั่นแหละ คือเรื่องของความเสียหายความผิดพลาดของเราเองที่ไปคิดว่าเขาต้องอยู่ในการควบคุมบังคับของเราได้เสมอไปเราจึงไปเอาเขามาในเบื้องต้นเพราะคิดว่าได้เขามาแล้วเขาจะต้องให้ความสุขกับเราเสมอทาตามที่เราสั่งเสมอต้องการอะไรเขาก็จะหามาให้ทันที ชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี่นกเป็นนกเนี่นี่คือความคิดของพวกเราคิดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะคิดอย่างนี้คิดว่าได้มาแล้วเราจะสั่งให้มันให้แต่พละให้แต่ความสุขกับเราเสมอไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่ให้มันจากเราไปแต่นี่เป็นการคิดที่ผิดการมองที่ผิดเนี่ย เราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาดูเลยว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นไปดังที่เราคิดหรือเปล่ามันเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังเราเคยถามตัวเองไหมนิจจังก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจัง อันไหนเป็นความจริงนิจจังหรืออนิจจัง อ, อนัตตาหรืออัตตาอัตตาก็คือเป็นของเราตลอดอยู่กับเราไปตลอดหรือว่าไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้ตลอดเวลาหรือเปล่าควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลาหรือเปล่า ลองสังเกตดูมีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาไมไม่มีหรอกคนที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือบุตรธิดาตอนได้มาใหม่ๆก็สั่งมันได้ลูกตอนที่มันเป็นเด็กเป็นเร็กนี่โอ้ยน่ารักไหมสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำทำตามที่เราสั่งลูกมาอาบน้ำอาบน้ำลูกมันแต่งตัวลูกทำนู่นทานี่ สั่งอะไรมันทำเหมือนตุ๊กตาเลยแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้ น, นมันเริ่มดือ้อเลยไม่เอาไม่เอาเออไทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปแฟนที่เคยเป็นแฟนเราใหม่ๆก็เอาอกเอาใจเราทุกอย่างชี้ฟ้าก็เป็นฟ้าชี้ดินก็เป็นดินแต่ต่อไปชี้ฟ้าไม่เป็นฟ้าซะและ้วชี้ดินไม่เป็นดินซะและ้ว บอกให้ทำนู่นบอกให้ทำนี่ไม่ทำใช่ไแล้วะอันนี้เพราะว่าไม่มีอะไรเป็นนิจจังนั่นเองไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันบางทีเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแต่เขาก็ต้องเปลี่ยน เพราะร่างกายของเขาเขาก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเขาอยากจะรู้อยากจะอยู่กับเราไปเรื่อยเขารักเราจริงๆรักเราจนวันตายแต่ร่างกายของเขามันไม่ยอมรักเราไปจนวันตายีรยวร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปก่อนก็ได้หรือร่างกายมันเป็นอมตะพึ่งอมพาดขึ้นมาไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้ ทีนี้มันกลับกลายมาทำให้เราต้องทุกกับร่างกายของเขาแล้วสิเพราะแทนที่ร่างกายของเขาจะมาให้ความสุขกับเราเขากลับมาเป็นภาระให้เราต้องแบกหามต้องเลี้ยงดูแล้วนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เป็นกันมองไม่เห็นกันเห็นอะไรแล้วคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ของบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นไปนานแต่มันก็ต้องมีวันเสื่อมเช่นโลหะพระพุทธรูปอย่างเนี้ยที่เราเห็นเราคิดว่ามันไม่เสื่อมแล้วน้อกลับมาดูสักพันปีดูเลย เ, เดี๋ยวสนิมหรืออะไรมันก็ขึ้นได้เดี๋ยวว่ามันมีการเสื่อมของบางอย่างมันเสื่อมช้าเสื่อมเร็วโลวกเหล่านี้ที่เราอยู่นี่เราจะคิดว่ามันจเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย ไม่หรอกมันไม่ช้าก็แล้วก็กลับมาอีกสักล้านปีเลยอีกสองพันล้านปีมันจะต้องมีวันเสื่อมน ะ, ะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันมองให้เป็นกันคือต้องมองให้เห็นอนิจจังกันทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลง เวลาขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราชอบของขึ้นกันเวลาเงินเดือนขึ้นนี่ไม่มีปัญหากันแต่เวลาเงินเดือนลงนี่เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของเราที่เรามองความจริงไม่เป็นเราเลยคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงคิดขัดกับความเป็นจริงพอเกิดการขัดกัน ระหว่างใจของเรากับความเป็นจริงใจของเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีสามข้อใหญ่ๆนี่คือหนึ่งอนิจจังออไม่เที่ยงมีการเกิดการดับมีการขึ้น มีลงมีมามีไปมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทางดีบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีบ้างเือหายไปเลยหมดไปเลยดับไปเลยเช่นร่างกายของเรานี่อีกไม่นานมันก็หายไปเป็นมนุษย์ล่องหนไปเปลี่ยนจากร่างกายนี้มาเป็นขี้เท่าไปคนตายไปไหนไปดูที่เมนเวย ตอนเช้าเวลาเขาเก็บเศษกระดูกที่เหลืออยู่ก็เหลือแต่ขี้เท่ากับเศษกระดูกนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใหญ่ขนาดไหนเป็นมหาเศรษฐีมหาจักรพรรดิเป็นอะไรระดับไหนก็ตามสูงหรือต่ำนี่ร่างกายมันเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวมันจะต้อง สูญหายไปอันตรานไปนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันเพื่อเราจะได้คิดทันกับเหตุการณ์เวลาที่ร่างกายมันจะตายเราก็ต้องคิดว่าออยินดีที่จะตายถ้ายินดีที่จะตายมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจะได้ดั ง, ดงใจอยากออพอเราได้อะไรที่เราอยากได้เราดีใจหรือเสียใจเราดีใจใช่ไหอ อยากได้เงินเดือนขึ้นพอเขาขึ้นเงินเดือนให้ก็ดีใจขึ้นมาอยากจะลดเงินเดือนก็เวลาเขาลดเงินเดือนก็ไม่เสียใจเอเห็นต้องหัดคิดตามความเป็นจริงถ้าคิดตามความเป็นจริงได้เราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจร่างกายเราต้องคิดว่าอยากจะแก่ตอนเด็กทำไมอยากจะโตกันแล้วเกินตอนเป็นเด็กนี่อยากจะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเกิน พอเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมไม่อยากจะแก่แล่ะเพราะผู้ใหญ่ที่เขาเคยเป็นผู้ใหญ่เขาแก่แล้วต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นคนแก่เหมือนกันออคิดอย่างนี้สิถ้าคิดตามความเป็นจริงแล้วจะไม่ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจสมหวังเวลาเราได้อะไรสมหวังแล้วเราจะไม่เสียใจ เ, ออเรารู้ว่าเราจะต้องแก่แล้วก็อยากแก่ขึ้นมาสิอย่าไปอยากไม่แก่ พออยากไม่แก่แล้วมันทุกข์ไหมคละผมห อ, อกเส้นเดียวแม้ทั้งทั้งที่บนศีรษะมีผลเป็นหลายร้อยเส้นพอมีเส้นขอขาวอยู่เส้นเดียวก็ทุกข์กว่ามันนะเห็นไหมหรื้อหนังพอเริ่มมีตีนกาขึ้นมาหน่อยหนังไม่เริ่มเหียวหน่อยเริ่มมีฝ้ามีอะไรหน่อยขึ้นมามีเสิวขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายไปเหมือนกับโลกนี้จะแตกนะ ก็เพราะเราไม่คิดเราไม่รู้ว่าร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามทุกคนเดี๋ยวมันจะต้องมีอาการชํำรุดซุดซูมบางคนก็ชํำรุดเร็วบางคนก็ชํำรุดช้าบางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยนี่คือความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคน ที่ท่านเรียกว่าอานิจจ์ไงไม่เที่ยงไม่เหมือนตอนที่ออกมาจากท้องแม่ในวันแรกใช่ไหมถ้ามันเที่ยงมันต้องเป็นเหมือนวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องกินนมต้องให้แม่อุ้มอยู่ทุกวันไงแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาโตทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นอย่างนี้แล้ว แล้วมันยังไม่จะมันจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่วันนี้เดี๋ยวอีกสิบปีลองลองถ่ายรูปของวันนี้ดูแล้วอีกสิบปีมาเทียบกันดูสิว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเป็นเหมือนคนละคนทุกสิบปีลองถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งแล้วเอามาเทียบกันอายุสิบขวบเป็นยังไงอายุยี่สิบขวบเป็นอย่างไรอายุสามสิบขวบเป็นอย่างไรอายุสี่สิบเป็นอย่างไร มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายของเราจะชอบหรือไม่ชอบจะต้องการหรือไม่ต้องการเราไปหยุดมันไม่ได้คาว่าหยุดมันไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ท่าเรียกว่าอนัตตามีสองอย่างหนึ่งอนิจจังมันต้องเปลี่ยนสองเราห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายนี้ทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กเป็นเหมือนกันหมดเป็นนิจจังเป็นนาฏตามันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่เสื่อมเราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนนี่คือปัญหาหรืออยากจะให้มันเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ทุกข์ตอนเป็นเด็กๆนี้อยากจะให้มันเปลี่ยนเร็วๆ แต่มันไม่เปลี่ยนนาทีช้าแล้วเกินตอนเป็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรได้ก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ทุกข์อย่างงอยากจะให้มันโตเร็วๆมันก็ไม่โตเห็นไหมคอยยืนวัดดูได้วันนี้สูงเท่าไหร่แล้ววันนี้สูงเท่าไหร่แล้วน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่เวลาอยากแล้วมันไม่เป็นไปดังใจอยากมันจะทำให้เราทุกข์นี่คือไตลักสามสามสามเรื่อง ที่ทำที่ทาให้ใจเร า, เาสุขหรือทุกข์อยู่ที่ว่าเรารู้ไว้สามเรื่องนี้หรือไม่ถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงอสองมันไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดอที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยงหรือไปอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการ อามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เลยทุกข์กันทุกวันที่เราทุกข์กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะว่าเราไม่มองความจริงของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้หรือไม่ไม่ดูตรงนี้กันไปดูว่าเที่ยงจีรังนิ จ, จัง เป็นอัตราเป็นของเราอยู่ในกำรร ม, มือเราพอเราได้มาแล้วเราสามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปเช่นโทรศัพ์นี่ก็ซื้อมาแล้วมันจะต้องดีไปเหมือนวันที่เราซื้อมาเลยแต่ที่ไหนได้ใช้ไปใช้ไปเขามีการพัฒนาไปแล้วเราจะไปใช้อย่างที่เราเคยใช้ใช้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าโปรแกรมที่เราใช้เขาพัฒนาไปแล้วเครื่องที่เราใช้อยู่ใช้ไม่ได้แล้วโปรแกรมนั้นทำไมเห็นไมทไมมันใช้ทาไมตอนซื้อใหม่ๆใช้ได้ทุกโปรแกรมเลยดีหมดเลยแต่พอใช้ไปทั้งปีสองปีโปรแกรมที่เราใช้มันเขาเปลี่ยนลวเขาเปลี่ยนระบบเขาเปลี่ยนพัฒนาขึ้นไปขั้นหนึง่งละไอเราก็เลยใช้ไม่ได้เสียแล้วทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไร ดูแลรักษามันอย่างดีเอคิดว่าเราจะรักษาเก็บไว้ได้หรือไม่ได้หรอกสมัยนี้เขาเขาผลิตมานี้เขาบังคับให้เราใช้ได้ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะเขาต้องการขาย ข, ายของใหม่เขาใจไหมเขาต้องการเงินเราอสมัยก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ซื้อหม้อมันไม่มีการพัฒนามอ ม, อมาซื้อหม้อมากี่ปีก็ <laughs> ใช้หม้อได้ไปเรื่อยๆ แต่เนี่ยนี่ซื้อโทรศัพท์มา น, นี่ใช้ไปได้เรื่อยแบบม้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ไม่กี่ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วแบตก็หมดเดี๋ยวนี้แบตมันก็ไม่ยอมให้เราถอดอีกติดอยู่ในเครื่องห้ามถอดถ้าแบตหมดก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนแบตอีกเนี่ยคนสมัยนี้มันโลภมากใช่ไหมมันโลภมากมันยต้องการมากต้องการเงินทองมากมันก็เลยบีบบังคับคนซื้อให้อยู่ในอุ้งมือมัน แต่คนซื้อก็ฉลาดอะถ้าซื้อยี่ห้อนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนยี่ห้ออื่นก็ได้มันก็มีคู่แข่งที่เขาจะมาทำให้ตอบสนองความอยากของผู้ซื้อได้แต่มันทำยังไงมันก็เจอปัญหาอยู่เรื่อยๆมันดีขนาดไหนใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางทีมันก็เสียละบางทีเราก็ไม่ระวังถือโทรศัพท์แล้วทำนู่นทำนี่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดมือตกลงไปบางทีก็แทกอา้าว จ่อลาวเสร็จแล้วเ น, นื้อะไรนะมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆถึงแม้เราเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้อะไรเลยก็ตามอีกสิบปีลงมาเปิดมันดูเลยมันมันเสื่อมแล้วสีมันก็เปลี่ยนไปแล้วะจะใช้บางทีก็ใช้ไม่ได้แรับแบตหมดนะ ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ใช้มันทั้งๆ ท, ที่เราดูแลรักษามันอย่างดีมันก็ยังเสียได้มันก็ยังเสื่อมได้นะขอให้เราหัดมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องเสื่อมทุกอย่างรวมทั้งร่างกายของเราด้วยถ้าเราเห็นแล้วเราสามารถปรับใจของเราให้รับมันได้เวลาที่มันเปลี่ยน เวลาที่มันแก่เราก็รับมันได้เวลาผมหงอกก็อยู่กับผมหงอกไปเวลาผมร่วงก็อยู่กับผมร่วงไปเวลาหนังเหี่ยวก็อยู่กับหนังเหี่ยวไปอย่าไปทําเลยทยํายังไงมันก็เหี่ยวอย่นั่นน่ะไปดึงกันกี่ครั้งกี่หนเดี๋ยวมันก็เหี่ยวดีไม่ดีดึงไม่ดีเดี๋ยวยิ่งยิ่งเละเทะใหญ่บางคนไปทำสัญยกรรมแต่งหน้าบางทีหมอทาผิดพลาด ตายเป็นหน้าผีขึ้นมาก็มีนี่แหละคือปัญหาคือใจของเราไม่ยอมรับความจริงบางทีก็รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรแต่ไม่ยอมรับความจริงคิดว่าเก่งคิดว่าจะฝืนความจริงได้แต่ไม่มีใครฝืนความจริงได้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเจอ สิ่งที่ต้องเจอกันทุกคนที่แน่นอนก็คือการพัดพรากจากกันอันนี้ไม่ค่อยยอมรับกันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าต้องมีการพัดพรากจากกันจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เลยจะจากกันตอนไหนท่านเองจะจากมากจากน้อยทัานหนงถ้าจากกันตอนเป็นก็อาจจะจากกันทีละชิ้นสองชิ้นคนสองคนแต่ถ้าจากตอนตายนี่หมดเลย มีกี่ชิ้นมีกี่คนมีอะไรนี้หมดเลยแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมร่างกายก็ต้องให้เขาเอาไปทําลายกลายเป็นขี้เท่าขี่ฐานไปทั้งๆ ท, ที่เวลาอยู่นี่ห่วงสุดห่วงห่วงสุดห่วงแต่พอถึงเวลาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไปห่วงมันทําไมไปเครียดกับมันทําไมอยู่แบบสบายสบายไม่ดีกว่าเลย อยู่ตามความเป็นจริงอ่ะมันตอนนี้มันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันอยู่แบบสุขก็อยู่ไปมันอยู่แบบทุกข์ก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นเวลามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจะให้มันไม่เจ็บมันก็ไม่หายอยู่ดีแต่เราจะสามารถป้องกันความทุกข์ทางใจได้ถ้าเรายอมรับความเจ็บของร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์กันวิธีที่จะทาใจก็คืออย่าไปคิดถึงมันมากจนเกินไปอย่าไปคิดในทางที่จะทำให้เราทุกข์คิดคิดในทางที่ให้เราทุกข์ก็คือคิดให้มันอยากให้มันหายพอมันไม่หายมันก็ทุกข์ถ้าถ้าอยากแล้วมันไม่หายก็อย่าไปอยาก เราก็ต้องรู้จักหยุดคิดหยุดอยากกันถ้าเราหยุดอยากเราจะอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ได้มันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมียากินก็กินไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปมันหายวันนี้คิดว่ามันจะไม่กลับมาอีกมันต้องกลับมาหาเราอยู่ไเรื่อ ย, อยความเจ็บไข้ได้ป่วยหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเยี่ยมเราใหม่ ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องกลับมามันจะไม่มาก็ต่อเมื่อร่างกายเรากลายเป็นขี้เท่าไปแล้วนั่นเองพอร่างกายเราไม่มีลมหายใจแล้วนี้โรคทุกโรคมันยอมแพ้เลยใช่ไหมมันไม่มาเบียดเบียนร่างกายเราอีกต่อไปแต่ถ้าเราร่างกายยังมีลมหายใจอยู่โรคต่างๆมันก็ยังมาเบียดเบียนได้เพราะเราไปเลี้ยงมันเองร่างกายไปเลี้ยงโรคภัยไข้เจ็บเอง พอร่างกายมีลมหายใจมันก็ไปเลี้ยงระบบต่างๆระบบต่างๆมันก็เลยผลิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอไม่มีลมหายใจเท่านั้นระบบหยุดทำงานโรคต่างๆที่อาศัยระบบเป็นเครื่องอยู่มันก็อยู่ไม่ได้โรคต่างๆก็หายไปหมดเลยเห็นถ้ามองแล้วความริงความตายนี่มันดีนะมันรักษาได้ทุกโรคเลย ดีกว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคเองความตายนี่ไม่เสียเงินเลยรักษาได้ทุกโรคโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคเอทโรคอะไรหายหมดนี่แหละถ้าคิดเป็นแล้วจะไม่เสียใจกับดีใจอ้อนี่คือวิธีรักษาโรคนะแต่อยากฆ่าตัวตายเท่านั้นนะเนี่ยต้องปล่อยให้มันตายเอง เพราะการฆ่าตัวตายนี้มันทรมานหนึ่งเวลาจะฆ่าตัวตายนี้มันทุกข์มากถ้าปล่อยให้มันตายเองจะไม่ทุกข์สองถ้าฆ่าตัวตายแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเวลากลับมาเกิดใหม่พอมาเจอปัญหาแก้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายทาั้งทั้งที่มันอาจจะแก้ได้แต่ใจร้อนใจไม่ใจไม่เย็นไม่รอให้มันแก้ปัญหาเอง อะไรไปฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าตัวตายปล่อยมันตายไปเองถ้าหมอรักษาไม่ได้ยารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจไปการที่เราจะอยู่เฉยๆทำใจเฉยๆได้เนี่ยเราต้องมาฝึกกันมาปฏิบัติกัน มากับมาตอนที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นมาปัญหาของเรามีอยู่สองข้อใหญ่ๆคือหนึ่งหยุดความคิดไม่เป็นสองคิดไปในทางที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่เป็นเราชอบคิดไปในทางที่ทำให้ใจเราทุกข์คิดไปในทางความอยากต่างๆนี้จะทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่คิดไปในทางความอยากคิดไปในทางตรงกันข้ามคิดไปในทางไม่อยากไม่อยากได้มันจะไม่ทุกข์ เวลาอยากได้เงินแล้วไม่ได้เงิ น, นมันทุกข์ไหถ้าไปคิดว่าไม่อยากได้เงินมีเงินแล้วปวดหัวต้องมาคอยดูแลรักษาอยู่แบบไม่มีเงินดีกว่าไปเป็นพระดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองคิดอย่างนี้มันก็ปัญหาเรื่องเงินมันก็หมดไปละแต่คิดไม่เป็นกัน ไม่กล้าอยู่แบบไม่มีเงินกันไม่รู้ว่าการอยู่แบบไม่มีเงินนี้ไม่ใช้เงินนี้ดีกว่าการอยู่แบบมีเงินมีทองเพราะไม่เคยลองเคยลองแต่วิธีอยู่แบบมีเงินมีทองพอเวลาไม่มีเงินทองขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่รู้ว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่ายังอยากมีเงินอยู่นั่นเองถ้าไม่มีอยากมีเงินนะเวลาไม่มีเงินนี้กลับจะดีใจอ้อหมดห่วงไม่ต้องมากังวล เนี่ยเกิดความคิดที่เราทําไม่เป็นอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งหยุดความคิดไม่เป็นสองคิดไปนในทางไม่อยากไม่เป็นนั้นทําหัดมาที่ให้ที่เรามาฝึกหัดกันนี้ก็มีสองข้อใหญ่ๆนี่ให้มาหัดหยุดคิดกันนี่เราจะหยุดคิดด้วยการสั่งมันให้หยุดเนี่เหมือนกับขับรถมาที่สี่แยกไฟแดงแล้วก็เหยียบเบรกถ้ามีเบรกมันก็หยุดเนี่ แต่ถ้ามันไม่มี break, เบรกเหยียบยังไงมันก็ไม่หยุดะใจเราก็เหมือนกันเราสั่งให้มันหยุดคิดแล้วมันมันหยุดคิดได้หรือเปล่าถ้าหยุดคิดไม่ได้ก็สแสดงว่าใจเราไม่มีเบรกไม่มีเบรกเราก็ต้องไปติดเบรกกันนะ่นเองรถเวลาไม่มีเบรกเราทําอะไรเราก็เอาเข้าอู่ไปบอกช่างเขาว่าตอนนี้หยุดไม่ได้รถช่างบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้เอ เขาก็ไปดู break. เบรกออกเบรกไม่มีเบรกเสียเขาก็เปลี่ยนให้พอเปลี่ยนเสร็จทีนี้ก็เบรกไปถึงสี่แยกไฟแดงหรือจะต้องการหยุดที่ไหนพอเหยียบเบรกปั้บมันก็หยุดทันทีใจของเราก็หยุดได้เหมือนรถยนต์ความคิดของเราเนี่ยเราหยุดมันได้ถ้าเรามีเบรกอย่างถ้าเราไม่มีเบรกเรามัต้องมาติดเบรกกันวิธีติดเบรกก็คือให้เราคิดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชันคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราพุโทโธพุธโทโธเราจะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ <c oughs> เพราะใจเราคิดได้ทีละเรื่อง mm. ถ้าคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือมันเข้ามาแทรกก็ก็มันก็ยังจะเข้ามาแทรกได้ใหม่ๆเพราะว่าเรายัาง ไม่สามารถที่จะมีพุทธโธแบบทีๆแบบไม่ให้มันมีช่องเข้ามาแทรกแต่ถ้าเราฝึกพุทธโธไปบ่อยๆแล้วพุทธโธเราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความคิดต่างๆมันจะเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุทธโธมันก็จะพุทธโธอย่างเดียวเวลาที่เราเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเราไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็แก้มันที่ตรงนี้แหละแก้มันที่พุทธโธนี่แหละเหยียบเบรกซะหยุดความคิดซะ พอไม่ไปคิดถึงที่เรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจความวุ่นวายใจก็หายไปอย่างตอนนี้ก่อนที่ญาติโยมมานี่อาจจะวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้พอมาอยู่วัดมาทํานู่นทนํานี่ลืมเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจไปชัว่วคราวเพราะเราไม่ไปคิดถึงมันแตไ่ไม่หายนะเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเดี๋ยวไปคิดเรื่องเก่าอีกมันก็วุ่นวายใจขึ้นมาอีกนะคร แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ความคิดของเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญหากับเราอยู่ที่เราไปคิดถึงเขาพอไปคิดถึงเขาแล้วก็ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาพอเราหยุดคิดความวุ่นวายใจก็หายไปแต่มันยังหายใจแบบมมันยังไม่หายแบบถาวรนเพราะว่าเวลาเรากลับไปเจอเขาเราก็ยังไปคิดแบบเดิมอยู่ คิดแบบเดิมคิดยังไงก็คิดตามความอยากเนี่ยยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะเขาก็จะไม่ทําตามที่เราอยากนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรเมื่อเรารู้ว่าเขาไม่ยอมทําตามที่เราอยากเราก็เปลี่ยนใจคิดสิคิดไปอีกทางหนึ่งไม่อยากก็ได้วะไม่อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะ แันก็อยากจะไปมีอีหนูที่ไหนก็ปล่อยเขาไปสิไม่อยากให้เขาไม่มอยากกะไม่อยากให้เขาไม่มีอีหนูก็เลยทุกข์ทั้งนั้นเองพอเราเปลี่ยนใจเอาเขาอยากจะมีหนูเราห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะไปมีหนูก็ไปมีสิเราไม่ไปอยากแล้วไม่ไปอยากให้เขาไม่มีแล้วพอคิดแค่นี้ก็สบายใจแล้วนี่แหละคือสองเรื่องด้วยกันที่เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆ ให้กับจิตใจของเราเพราะเราโงา่จิตใจเราของเราโงา่มองไม่เห็นความจริงกันเราต้องมาศึกษาความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยากนี้มันไม่สามารถจะตอบความอยากของเราได้เสมอไปตอบได้ก็บางครั้งบางเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปได้อะไรมาแล้วให้เราดีใจเดี๋ยวเดียวพอมันหายไปมันจากเราไปมันก็กลับมาทําให้เราเสียใจอีก พอ <shield. S 1> เราได้อะไรมาก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนั่นเองนี่เราต้องมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ ก, ก, ก็อย่าไปอยากเห็นเวลาเราทุกข์กับอะไรเราถามเรากำลัองอยากหรือเปล่า ถ้าอยากเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นเพราะหยุดความอยากนั้นแล้วความทุกข์ก็จะหายไปอ่านี่คือการมาฟังทมฟังให้รู้ว่าเราต้องรู้อะไรต้องทำอะไรแล้วตอนพอเราต้องรู้ว่าต้องรู้อะไรต้องทาอะไรก็ไปสอนตัวเองให้รู้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราต้องทำอะไรเราก็ต้องหยุดความคิดหยุดความอยากเท่านั้นเอง ถ้าเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปต้องมาไปทำนะฟังอย่างเดียวไม่พอเหมือนมาฟังวิธีทำกับข้าวยังไม่ไปทำเดี๋ยวถึงเวลาทำแล้วก็กินไม่ได้ทำครั้งแรกกินไม่เป็นทำไม่ถูกเพราะว่าเวลาฟังไม่ได้ฟังตลอดเวลา เวลาฟังไปเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ตอนที่ก็บอกให้ใส่เกลือน้อยก็ไม่รู้เวลาทำก็เลยไม่รู้ต้องใส่เกลือมากใส่นะ้ำเกลือน้อยเข้าไป เ, ออเวลาฟังธรรมมันจึงไม่ได้เต็มร้อยไงเพราะใจเราไม่นิ่งพอใจเรายังเผลอว่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ช่วงนั้นไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรอยู่ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเะฉะนั้นบางทีฟังแล้วก็ต้อง ลองไปทำดูถ้าทำไม่ถูกก็ต้องกลับมาฟังใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าจะทำถูกเมื่อทำถูกแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วแสดงว่าเรารู้วิธีที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเรายังทําไม่ถูกยังไม่ได้ผลก็ต้องกลับมาฟังสลับกับการกลับไปทำฟังเสร็จก็กลับไปทำทําแล้วก็กลับมาฟังใหม่สลับไปสลับมาอย่างนี้ เดี๋ยวเราก็จะทำถูกทำถูกแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปใครจะรักเราใครจะไม่รักเราไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใครจะอยู่กับเราไม่อยู่กับเราไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไม่เจ็บไม่เดือดร้อนร่างกายจะอยู่จะตายไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักวิธีหยุดความคิดหยุดความอยากของเรากับสิ่งต่างๆพอเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆแล้ว เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุว่นวายใจต่อไปอละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะราโสยะามะนีโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวัตะวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาตนาสีฤทสานิจางวุฒาปจายิโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดยสองร้อยยี่สิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดรับฟังข้างบนนี้ยี่สิบแปดคนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบครับออมีใครอยากจะถามเมื่อกี้คนที่อยากจะถามหายไปไหนละออออได้คำตอบแล้วมัออ้งตาฟังไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ได้คำตอบเองเอะ ถ้ายัางไม่ได้คำตอบก็ตอนนี้ก็ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาจะมีไมโครโฟนให้ถ้ายัางไม่มีใครถามก็เอาคำถามทางบ้านก่อนคำถามจากคุณเบญญภา น้องเพื่อนถูกผู้หญิงทาคุณใสถ้าเราจะช่วยสวดมนต์ให้น้องเพื่อนจะต้องแผ่เมตตาให้เทวดาที่ตัวเขาหรือเจ้ากรรมในเวรของเขาหรือเอ่ยชื่อตัวเขาโดยตรงเลยการที่เราช่วยน้องเพื่อนมีเพื่อนทวงว่าไม่ควรจะช่วยเป็นเพราะวิบากกรรมของเขาที่ทากันมา ไปขวางกรรมของน้องเพื่อนจะให้คนทำคุณใสามาเล่นงานคนช่วยสวดมนต์ให้ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะออมันช่วยไม่ได้หรอกแล้วคุณใสไม่รู้มีจริงก็ไม่มีจริงก็ไม่รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปทาอะไรสอนคนที่ก็มีปัญหาดีกว่าสอนให้เ็ามาหยุดคิดเรือคิดปล่อยวางทนะั้งนั้นเองปัญหาก็จบ แต่ไปห้ามไม่ได้ใครอยากจะมาฆ่าเรานี่ไปห้ามเขาไม่ได้ใครอยากจะมาด่าเราเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้เดือดร้อนได้ปล่อยเขาด่าไปปล่อยเาขาฆ่าไปยังไงก็ต้องตายกันทุกคนถ้าเขาอยากจะฆ่าก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ esp. ต้องยอมให้เขาฆ่าไปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันถือว่ามันเป็น เป็นเวลาของชีวิตเราที่มันจะต้องจบแบบนี้ก็ปล่อยมันจบแบบนี้ไปมันไม่จบแบบนี้มันก็ต้องจบแบบใดแบบหนึ่งอยู่ดีนะไม่ช้าก็เร็วคําถามต่อไปจากคุณชูชูทําไมต้องเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่และเมื่อเกิดองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วหลักธรรมคาสอนเปลี่ยนไปจากเดิมไหมเจ้าคะไม่เปลี่ยนหรอกทําไมต้องเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ พราะคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เก่ามันหายไปหมดแนละ้วตอนนี้ยังมีอยู่แต่อีกห้าพันปีมันจะพออีกสักสองพันห้าร้อกว่าปีมันหายไปแนละ้วทีนี้ใครอยากจะรู้คําสอนก็ไม่มีใครบอกได้ก็เลยต้องรอคนคนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสอนใหม่เอาคําสอนอันเก่านี้มาสอนใหม่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็เอาคําสอนของของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาสอนเพราะมันเหมือนกัน ความจริงที่รู้เกี่ยวกับจิตใจของเรานี่เหมือนกันไม่ว่าจะใครมาศึกษามันก็จะรู้ความจริงของจิตใจของเราเหมือนกันเหมือนกับร่างกายของเรานี่ไม่ว่าจะไปไปรักไปศึกษาที่ประเทศไหนมันก็ศึกษาเรื่องเดียวกันเรื่องรักษารักร่างกายมันก็รักษาแบบเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คำสอนของเราของคาสอนพระพุทธเจ้ามีไว้มารักษาจิตใจของเรา แต่ถ้าต่อไปไม่มีใครสนใจศึกษาไม่มีใครสนใจนำเอามาเผยแพร่มันก็ไม่มีใครรู้ต่อไปพอคนอยากจะรู้ก็ต้องค้นคว้าหาเอาเองคนที่ค้นคว้าหาเองได้คนแรกก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพอรู้แล้วก็มาสอนคนที่อยากจะรู้ต่อคนที่อยากจะรู้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาค้นคว้าแล้ว เหมือนพวกเราตอนนี้ที่เราไปโรงเรียนกันพ่ออะไรพราะมีคนคนคว้าหาความรู้ต่างๆมาสอนเราไม่ตัดเราเลยไม่ต้องไปค้นคว้าหาเองอยากจะบวกเลขบวกลบคูณหารก็ไม่ต้องมาคิดเองว่าบวกลบคูณหารทําอย่างไรเพราะมีคนรู้เข้ามาสอนเราแล้วอถ้าต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีใครมาเรียนหนังสือกันต่อไปก็อาจจะไม่มีใครรู้กอไก่ขอไข่ไม่รู้หนึ่งสองสามไม่รู้จักบวกลบคูณหาร ก็ต้องมาหัดคิดกันใหม่ละอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ที่ถ้าเกิดการขาดตอนขึ้นมาอย่างด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ต้องมาค้นคว้าความรู้กันใหม่คําถามต่อไปจากคุณยูแอนมีผมนั่งสมาธิดูลมหายใจก่อนนอนแต่ด้วยความเข้มแข็งของสติมีน้อยนั่งดูลมไปสักพัก สติก็คิดไปเรื่องอื่นใจลอยไปที่อื่นมีวิธีไหนที่จะให้สติเราหนักแน่นอยู่กับลมหายใจได้นานๆอยากทราบวิธีทำให้สติมีกำลังครับเวลาที่เราไม่นั่งเราก็ต้องใช้การท่องพุโทโธพุโทโธไปเป็นการสร้างสติขึ้นมาดูลมนี่มันจะเหมาะแต่เฉพาะช่วงที่เรานั่งเพราะลมมันเป็นสิ่งที่ละเอียด ถ้าเราไม่ได้นั่งเราไปทาอะไรต่างๆนี้ดูลมยากถ้าเราดูลมยากเราไม่มีลมเป็นตัวสร้างพุโทโธให้กับสร้างสติให้กับเราเราก็ต้องใช้พุโทโธแทนท่องพุโทโธพุธโทโธไปหรือท่องบทสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาไปหรือจะคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทาอะไรอยู่ อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นเห็นไหมฝนมาอีกแล้วเนี่ยวพวกใจกล้าอยู่ต่อไปที่เ <laughs> นะนี่ยมื่อกี้ตอบอะไรไม่ครับลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมาหลอกเราเดี๋ยวตกได้ปับหนึ่งสองนาทีก็หยุดแล้ว ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณธีรชาติลูกชายของผมสงสัยว่าการดื่มสุราอยู่กับบ้านไม่ได้ไปก่อเรื่องที่ไหนถือว่าเป็นบาปไหมครับหรือว่าการทำให้ตัวเองมีสติอ่อนกำลังลงก็ถือว่าเป็นบาปแล้วการดื่มสุรายังไม่บาปแต่มันจะทำให้ทาบาปง่ายขึ้น เวลาไม่มีสติพอเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาตอนให้อยู่บ้านเถิดเดี๋ยวเห็นลูกเห็นเมียทำอะไรลาคาญใจเดี๋ยวก็ดา่าด่าลูกดา่กดาเมียได้แล้วดีไม่ดีถ้าเขาเถียงก็ตบตีกันต่อไปเพราะฉะนั้นการเดินโซลาไม่บาปเพราะยังไม่ได้ไปทําบาปแต่การเดินโซลาจะทําให้การทําบาปมันง่าย <Yeah. S 1> เพราะไม่มีอะไรควบคุมใจสติไม่มีเวลาเดินโซลาแล้วเมาแล้วมันจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณเคอาพระอาจารย์เคยสอนว่าการปฏิบัติสมาธิบางวันอาจทำได้ดีบางวันอาจไม่ได้เรื่องไม่ก้าวหน้าขอเรียนถามว่าควรจะมีวิธีคิดอย่างไรกับในวันที่ไม่ก้าวหน้าเลยแล้วโยมเองก็จะรู้สึกผิดในใจก็อย่าไปหวังมากไง เหมือนกับเราขายของบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีใช่ไหมวันไหนขายไม่ดีก็ตามมีตามเกิดขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีอะไรที่มันเหมือนวันทุกวันขายของบางวันวันเสาร์อาทิตย์คนหยุดทํางานมาชอบปิ้งกันเยอะก็ขายดีพอวันธรรมดาก็ซบเซาลงที่นี่ก็เหมือนกันคนเข้า y ย u ทูบเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันทุกวันบางวันก็เข้าเยอะบางวันก็เข้าน้อย ถ้าเราไปอยากให้เขาเข้ามากมากแล้วพอเขาไม่เข้ามากเราก็จะเสียใจงั้นอย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดวันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำคือยินดีตามตามีตามเกิดจากผลกับผลนะแต่อย่าไปยินดีตามตามีตามเกิดกับเหตุเหตุที่เราบังคับได้เราต้องบังคับให้มันทำมากๆ ถ้าทำมากๆโอกาสที่จะได้มากมันมีมากกว่าโอกาสที่จะได้น้อยต่อการทำน้อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทำมากๆจะได้มากทุกครั้งไปเพราะมันอาจจะทำไม่ถูกเท่านั้นเองถ้าทำถูกทำมากมันต้องได้มากแต่ถ้าทำมากแต่ทำไม่ถูกมันก็อาจจะได้น้อย <Yeah. S 1> ก็อย่าไปกังวล กามาแก้ที่เหตุกันวันนี้เราทำไม่ได้มากเพราะเราทำน้อยไปหรือเปล่าทำไม่ถูกหรือเปล่า <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบางวันก็ปฏิบัติทำได้ดีบางวันก็ไม่อยากปฏิบัติทำเป็นเพราะอะไรและแก้ไขอย่างไรครับอารมณ์ของเรายัางมีกิเลสมีเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบ บางวันก็เป็นอารมณ์ที่มาทำให้เราไม่อยากจะทำอะไรเลยบางวันก็มีเหตุมากระทบทำให้เราอยากทำนูน่นทานี่ขึ้นมาอันนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้อารมณ์เหล่านี้กระทบเราเราก็ต้องมีมาตรการมีวินัยเราต้องตั้งมาตรฐานของการกระทาของเราว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ว่าจะมีความอยากทำหรือไม่อยากทาก็ต้องทำ เหมือนการรับประทานอาหารนี่เรามีมาตรการใช่ไหเรามวีวันหนึ่งเราจะกินกี่ครั้งถึงเวลาจะอยากกินไม่กินเราก็ต้องกินถ้าเรารู้ว่ากินมันดีกว่าไม่กินถึงแม้ไม่อยากจะกินแต่ถ้าไม่กินเดี๋ยวมันหิวให้คิดอย่างนี้คิดว่าเหมือนกับการกินข้าวรับประทานอาหารมันต้องมีเวลาบังคับมันอยากจะปฏิบัติ mm hmm. ก็ต้องบังคับมีเวลาให้มันปฏิบัติ พอถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจะอยากปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรคําถามต่อไปจากคุณจินชุธาเคยภาวนาได้จนวันหนึ่งไปติดละคร ทำให้ภาวนาต่อไม่ติดมันทำให้รู้สึกว่าไม่อยากภาวนาอีกอยากขอคำแนะนำครับก็เราไม่มีวินัยในตัวเราครับเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องทำตลอดเวลาเราปล่อยให้เหตุการณ์หรืออารมณ์มาเปลี่ยนเราเองแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ให้เหตุการณ์หรืออารมณ์มาเปลี่ยนเราจะทำตามตารางที่เรากำหนดไว้เหมือนเราไปโรงเรียนเราไปไปเรียนตามอารมณ์ได้ไหม วันไหนอยากจะไปก็ไปวันไหนไม่อยากจะไปก็ไม่ไปมันก็เรียนไม่จบกสที่เราเรียนจบกันก็เพราะว่าเราต้องไปตามตารางตามเวลาพอเราถึงเวลาต้องไปโรงเรียนเราก็ไปกันถึงเวลาเข้าห้องเรียนเราก็เข้าห้องเรียนกันต้องทำแบบนี้ทำแบบไปโรงเรียนเราต้องมีตารางมีเวลาคอยบังคับใจเราถึงเวลานั่งสมาธิถึงแม้ว่าละครมันจะมาก็ต้องไม่ดูไป ตอนนี้เวลานั่งสมาธิถ้าอยากจะดูก็ไปดูย้อนหลังก็ได้สมัยนี้แล้วถ้ามันขัดกันถ้าดูแล้วไม่ได้นั่งก็อย่าไปดูมันดีกว่าเราต้องดูผลที่จะได้จากการกระทําว่าอันไหนดีกว่ากันทํำเราได้ร้อยบาทกับทําแล้วได้พันบาทเราจะเอาอันไหนหรเราก็ต้องเอาทําที่ได้มากกว่าอันนี้ก็เหมือนกันทำถ้าเราปฏิบัติทำเราจะได้มากกว่าการกระทําต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ พอลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงออได้คิดอย่างนี้เราจะได้เห็นความเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมคำถามต่อไปจากคุณสรีทิชยัยจะทำยังไงให้หยุดเพ่งเวลากำหนดพุทโธครับมันส่งผลแน่นหน้าอก แต่ถ้าไปยุบหนอพองหนอที่ท้องก็จะปวดท้องเกรงนอนไม่ค่อยหลับเพราะเหมือนพอไม่คิดอะไรมันก็พุโทโธอัตโนมัติแต่รู้สึกเพ่งแน่นๆควรทําอย่างไรดีครับอย่าไปเพ่งแต่ถ้ายังเพ่งไม่ได้ก็อย่าไปเพ่งลองท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรือลองสวดวนไปอย่างเดียวก่อนก็ได้สวดไปภายในใจมันก็สวดพุดโทโธนั่นแหละ ถ้าเพ่งไม่ได้ก็อย่าไปเพง่งแสดงว่าจิตเรายังไม่มีกำลังเพง่งมีกำลังพุทโธก็พุทโธไปก่อนพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนนี่คือวิธีที่จะดึงจิตของเราให้กลับเข้ามาข้างในด้วยวิธีการต่างๆคำถามต่อไปจากคุณจตุรน<ม>การภาวนาพุทโธ คือการบังคับไม่ให้ความคิดไม่ให้สัญญาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นให้เพ่งอยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมครับออไม่ได้ให้เพ่งให้ท่องให้บริกรรมพุโทโธนี้เพ่งไม่ได้ให้เหมือนลมลมนี้เพ่งต้องดูแต่พุโทโธนี้ดูไม่ได้ต้องผลิตมันขึ้นมาต้องบริกรรมขึ้นมาต้องคิดถึงพุโทโธพุโทโธไป <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณพิ่ลายพร ผลของบุญกรรมที่เราเคยทำมาแต่ละภพละชาติจะใช้หมดเป็นชาติชาติใหม่คะหรือว่ามีสะสมไปในชาติต่างๆอีกอ๋อมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าบุญกรรมแต่ละชิ้นมันบางทีมันส่งผลช้าหรือเร็วต่างกันเหมือนเงินที่เราไปกู้ไปกู้ต่างเวลามันก็ถึงเวลาต้องจ่ายมันก็ต่างเวลากันไปเพราะฉะนั้น มันก็ยังจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กำลังของบุญของบาปที่เราทำว่ามันส่งผลเร็วหรือส่งผลช้าแต่ถ้าตาบได้เรายังมาเกิดอยู่ยังมีการกระทำอยู่มันก็มีการเพิ่มบุญเพิ่มบาปกันไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแนะ่ะคำถามต่อไปจากคุณมน จะทำย่างไรกับคนที่เกลียดเราเห็นเราเป็นศัตรูก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันเขาไม่ชอบเราก็เราก็อย่าไปอยู่กับเขาแล้วกันเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนเนี่ยฝนก็จะตกเราไปห้ามมันไม่ให้ตกได้นะก็ปล่อยมันตกไปเราก็อยู่ในร่มไปเท่านั้นเองต่างคนต่างอยู่ไปก็อยู่กันได้ถ้าเขามาเบียดเบียนเราถ้าเราหลบได้ก็หลบไปอย่าไปตอบโต้ดีที่สุด พอตอบโต้แล้วมันเป็นมันจะทําให้แรงขึ้นทางที่ดีก็หลบหลีกไปถ้าหลบไม่ได้ก็รับกรรมไปก็แล้วกันเดี๋ยวพอเขาได้ทําอะไรตามที่เขาอยากแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกทําเไปคําถามต่อไปจากคุณนันทิดาอยากขอคําแนะนําระหว่างการเดินจงกรมกับการนั่งหลับตาภาวนาว่าทําให้เกิดผลแตกต่างกันอย่างไร การเดินจงกรมส่วนใหญ่จะทําให้เกิดสติถ้าเรานั่งไม่ได้เราก็ต้องเดินก่อนแสดงว่าสติเรามีกําลังไม่มากพอก็เดินเพื่อสร้างสติขึ้นมาเดินไปพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดอะไรพอเราเดินแล้วเมื่อยแล้วเราอยากจะนั่งก็มานั่งต่อถ้ามีสติก็จะนั่งได้นาน ถ้าไม่มีสติหรือมีสติน้อยก็ดั่งได้ไม่นานพอนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่สลับกันไปเดินยงก็เหมือนเติมน้ํามันก็นแล้วกันเวลานั่งก็เหมือนขับรถเวลาขับรถน้ํามันหมดก็ต้องไปเติมน้ํามันพอเติมน้ํามันเสร็จก็ไปขับต่อคําถามต่อไปจากคุณนัตต้ผู้ที่หมดกิเลสแต่ยังมีชีวิตอยู่ จะมีสภาวะจิตความนึกคิดแบบไหนเจ้าคะก็คิดไปในทางที่ไม่อยากสิอคิดปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดไม่มีความอยากกับสิ่งใดทั้งสิ้นไม่มีความอยากให้ใครไม่ดีไม่ดีหรือชั่วใครจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาผลจะตกแดดจะออกก็เรื่องของเขาจะไม่ได้คิดไปยุ่งีกับใคร คิดอยู่กับเขาอย่างสันติสุขคําถามอยากขอคําแนะนําเรื่องจะหักข้ามใจอย่างไรไม่ให้ทําบาปครับอ๋อก็ต้องฝึกสตินี่แหละพุทโธพุทโธไปเวลาจะทําบาปก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธไม่ได้ก็คิดถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการทําบาป ทำบาปแล้วเดี๋ยวเกิดโทษตามมาเกิดความทุกข์ใจตายไปก็ต้องไปใช้ผลขณะที่อยู่ก็ จ, จะถูกจับไปลงโทษนคิดอย่างนี้ก้า จ, จะทำให้ไม่กล้าทําบาปได้สองคนนั้นยังสู้ต่อเหรอเดีนั่งกลางล่มสู้ต่อคำถามต่อไปจากคุณสรวดี เพิ่งเริ่มฟังธรรมที่พระอาจารย์เทศแล้วอยากฟังอีกไม่อยากทํางานอย่างอื่นควรทําอย่างไรดีเจ้าคะอ๋อมาถึงเวลาต้องทําอย่างอื่นก็ต้องทําอย่างอื่น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้ทําตามอารมณ์เดี๋ยวไก่วันหลังไม่มีอารมณ์จะฟังธรรมไม่มีอารมณ์จะทํางานแล้วจะทําอะไร <c oughs> หรื อ, อยากจะทํางานแต่ไม่มีงานทําแล้วเพราะเวลามีทําไม่ทําต้องเลยไล่ออก คำถามต่อไปจากคุณอูที่ข้างบนเขาพระท่านใช้สเปรย์กันยุงแบบเป็นสมุนไพรใหม่เจ้าคะแล้วแต่โยมจะถวายมาแะที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขอใครจะให้อะไรก็รับไว้ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็แจกไปคำถามต่อไปจากคุณประธานไปทาบุญถวายสังฆทานถวายปัดใจที่วัด แล้วอธิษฐานขอไปพระนิพพานได้ไหมครับเหมือนกับตีตั๋วไปฮ่องกงแล้วขอให้ไปอเมริกาเนี่ยถ้าตีตั๋วไปแค่ฮ่องกงมันก็ไปได้แค่ฮ่องกงจะไปอเมริกาไม่ได้ถ้าทำทานก็ไปได้แค่สวรรค์ทำบุญทำทานไปได้แค่สวรรค์อยากจะไปนิพพานต้องบวชต้องออกนั่งสมาธิต้องฟังเทศฟังธรรม คำถามต่อไปจากคุณทิพวรรณโยมถือศีลห้าแต่ไม่ได้ถือศีลแปแบบนี้โยมจะสามารถนั่งสมาธิให้จิตรวมได้ไหมเจ้าคะหรือต้องทําอย่างไรก็ยากกว่าคนที่ถือศีลแปเพราะว่าคนถือศีลแปจะมีเวลาทําได้มากกว่าถ้าเรามีเวลาทํามากโอกาสที่จะได้ผลก็มากกว่าถ้าถือศีลห้าเวลาจะทํามันน้อยกว่า เพราะสินห้าไม่ห้ามให้เราไปดูหนังฟังเพลงไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวไม่ห้ามให้เราไปทำอะไรต่างๆที่คนถือสินแปดทำไม่ได้คนถือสินแปดไปทำคนที่ถือสินห้าไม่ได้ก็เลยมีเวลาว่างมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิได้มากกว่าแต่เวลาอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนอกจากเวลาแล้วต้องมีสติด้วย ถ้าไม่มีสติแม้ว่าศีนหน้าหรือศีนแปนั่งทีไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกันคำถามหมดแล้วเนะี่ยว่าไงจะเละให้ญาติโยมกับไหวไหมเนี่ยเดีอยวจะนั่งต่อไปก่อนผนตกใกล้จะหยุดแล้วเดี๋ยวก็หยุดวันนี้ตกไม่นานถ้าเคว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็ขอหยุดกันแล้วกัน ส่วนญาติโยมจะนั่งรอให้ฝนหยุดหรือจะกลับมีล่มก็เอาล่มไปแล้วเอาล่มวางไว้ที่ต้นโพก็ได้เดี๋ยวมีคนไปเก็บเองอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด